แกเข้ามายุ่มยามที่นี่ทาไมร่างนั้นได้กล่าวขึ้นรีบกลับไปเสียในขณะที่แกยังกลับได้กลับไปเสถเอ้อผัวเมียคู่นี้มันกำลังรับกรรมที่มันได้ก่อขึ้นถ้าแกมายุ่มยามด้วยอีกคนหนึ่งแกจะต้องโดนดีว่าแล้วร่างนั้นก็จางหายไปวันรุ่งขึ้นในขณะที่รับประทานอาหารเช้าด้วยกัน